พรธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าสร้างเจดีหลวงตาศรัทธาให้อยู่เหนือกำไรหาทุนร่วมสร้างพระเจดีขององค์หลวงตา ท, ท่าน ประธานใหญ่คือที่ท่านพระรากรสวรรษองค์ข้มนตรีท่านมาจากกรุงเทพแต่วันที่ยีิบเก้าท่านไม่ได้มาเพราะว่าท่านแต่มีธุระจําเป็นท่านไม่ได้มาแล้วก็มาตอนเย็นวันตอนเช้าวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยท่านมาเป็นประธานที่วัดป่าบ้านตาเตยแต่ตอนเย็นท่านไม่ได้มามีแต่หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวอุดรเต็มไปหมดรวบรวมจะถูกปัจจัยเพื่อสมทบสร้างเจดียด์องค์หลวงตาหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมในเย็นตอนบ่ายวันที่29เวลาสิบสี่สามสิบนอกสี่โมงสี่มงสามสิบพูดไ ง, ไง่ายงสี่โมงครึ่ง แสดงธรรมพอจบแล้วหลวงพ่อก็ไปพักที่วัดรวมธรรมวัดทันรัตนะที่อำเภอเพนเพราะพุ่งในเช้าจะได้เดินทางเข้าไปทอดพระป่าร่วมกับคณะที่วัดป่าบ้านตาดแต่ก็ได้ปัจจัยมากพอสมควรอยู่รู้สึกว่าพี่น้องให้ความใส่ใจสนใจทั้งส่วนรัชการทั้งส่วนประชาชน ได้เงินทั้งหมดเก้าล้านแนะแต่ในหกแสนนะั้นวัดของเราวัดของเราก็มีส่วนร่วมนะคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนอะอนุมโมทนาปัจจัยที่ออกจากวัดของเราไปเราร่วมสมทบสองแสนบาทนะลูกหลานเนอะรวมสร้างพระเจดีองค์หลวงตานะรวมสมทบ ในภาพป่าในคราวนี้ครั้งนี้เงินหเกล้านหแสนนั่นนะของเรานี่สองแสนแล้วก็คงจะถึงส0บล้านเดี๋ยวมั้งเพราะว่าคงจะมีเช็คมีอะไรอยู่ก็เห็นผู้ถวายทางเช็คมาก็มีคิดว่าคงจะน่าจะถึงก็ได้รับอมความอบอุ่น ก็วันตอนเช้าวันที่30ท่านพระรากรท่านก่อนเป็นผู้กล่าวคำถวายแ่ผ้าป่าพระสงฆ์ทัาเจวาดท่านก็รับนั่นแหละหลวงพ่อก็ไปร่วมงานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็แวะเข้าไปไปดูตอกเสาเข็มไปดูงานหน้างานก็เห็นว่ายังเหลืออยู่ร้อยกว่าต้นมั้ง ยังไม่เสร็จนะใน1250 1 2 5้้นอยาต้นนะยังเหลืออยู่ร้อยประมาณร0 0กว่าต้นนะแต่เมื่อวานตกได้เท่าไหร่หลวงพ่อก็ยังไม่ทราบนะแต่อีกสักวันสองวันน่าจะเสร็จได้เสาเข็มนะพอเสร็จแล้วก็คงจะมีหาผู้รับเหมาแล้วสินะเดี๋ยวนี้กกำลังกาลังให้ ยืนให้ผู้รับเหมาทั้งหลายแหละเอาไปคิดราคาประมาณชั่กลางเดือนเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาหากคณะกรรมการกรรมการก็จะได้รู้ว่าบริษัทไหนคิดราคาเท่าไหร่อย่างไรจากนั้นก็ทางคณะกรรมการก็คงจะสรรหาแล้สรรหาผู้ที่บริษัทที่จะรับเหมาทั้งหกบริษัทจากนั้นเขา ชอบบริษัทไหนเห็นตกลงกันแล้วก็ทุกอย่างแล้วก็ทานะกรรมการทุกกลุ่มเห็นด้วยเห็นพร้องต่องการแล้วก็นะคงจะเซ็นสัญญาคิดว่าจะได้จะได้ทำงานก็ประมาณสักกลางกลางเดือนมิถุนานะกลางเดือนมิถุนาก็ทาเริ่มทำงานแล้วพอเริ่มทำงานเสร็จแล้วก็นับไปเลยเทนะีโครงโครงสร้างเนะี่ยี่ี่เดือน คือสองปีโครงสร้างนะแล้วก็ตกแต่งทุกอย่างอีกหนึ่งปีสิบสองเดือนรวมแล้วสามสิบหกเดือนงานทุกอย่างแล้วเสร็จถ่าร้าว่าพวกเราคิดว่า้ทำไมทำรีบด่วนรีบเร่งขนาดนั้นจะไม่สุกเอาเผากินเหรอโดยมาก พวกเราบ้านนอกทั้งหลายเราก็คิดอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงงานระดับนี้แล้วนะ เ, ออเขาต้องมีผู้ควบคุม ง, งานเป็นผู้ดูแลงานละเอียดที่ท่วนทีเดียวละ่ะ เ, เราคาดหวังว่าอย่างนั้นนะเออพราะบริษัทกับบริษัทที่เราคัดสรรอย่างดีและก็พร้อมกันทางบริษัทก็คงคิดจะฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินอีกเหมือนกัน เมื่อสร้างเสร็จแล้วมีคนทุกหัวละแหง่งทั่วโลกเข้ามาดูก็จะมาดูมาชมบริษัทอีกต่างหากโอ้บริษัทไห น, นทางานถวายหลวงตานี่ดูแล้วปลาเนตบรรจงเลอเกินแน่นหนามันคงดูแล้วโอ้นี่แหละเป็นการประกาศเกียรติคุณเกียรติศัพท์เกียต ร, รยยติคุณของบริษัทอีกต่างหากเร า, เราก็มาให้ขาดทุน แต่ข้อสำคัญทำให้ด้วยความตั้งใจให้ใส่ใจในการทางานบริษัทที่จะมาทำหลวงพ่อว่าถ้าบริษัทไหนก็ตามถ้าไม่มีศรัทธานะมีแต่หวังผลกําไรเฉยๆเลยอย่าเข้ามายุ่งให้ห่างไปเลยแต่บริษัทไหนจะฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินจะฝากฝีมือข้าพเจ้าบริษัททามาหากินอย่างอื่นมาโนมนาน แต่เอาเถอะงานชิ้นนี้งานชิ้นของหลวงตาเนี่ยหลวงตามีแต่ช่วยโลกช่วยประเทศไทยช่วยชาติช่วยพื้นแผ่นดินไทยไม่ว่าสาธารณประโยชน์ไหนหลวงตาช่วยหมดบริษัทของเราเนี่ก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วเราจะทุ่มเทใหุ้ดๆเพื่อบูชาพระคุณหลวงต า, าปูหลวงตาเป็นคน เป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาตินี่แหละในถ้าเมื่อบริษัททําด้วยความตั้งใจใส่ใจอย่างนั้นผลงานออกมาก็จะต้องคิดว่าพวกคณะกรรมการทั้งหลายก็คงจะสบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเนะ่ยจะสบายใจอย่างมากทางวารดบริษัทอย่างนั้นมาในเมื่อทําออกไปแล้วก็เป็นผลงานของบริษัทประกาศเกียรติศัพด์เกียรติคุณของบริษัท เจ้าของบริษัททุกคนผู้เกี่ยวข้องก็จะภาคภูมิใจในฝีมือของตนเองเพราะฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินจะหาได้ที่ไหนถ้าว่าผู้ใดไปสร้างพระธาตุพระนมออออพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยไปดูทุกอย่างทุกถึงทุกอย่างยังเรียบร้อยราบรื่นอยู่เขาก็คงจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานทีเดียวเพราะนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วกับคนไปกราบไปไหว ไปขารพสักการะบูชาเป็นบุญเป็นกุศลติดตาจิตติดใจของเรานานเท่านานถ้าหากว่าพวกเราไปมีแต่ฝังผลกําไรพอไปสร้างขึ้นมาแล้วก็ขิดพิษขิดหน่อยกินหยุม่มกินยิ้มตอดเล็กตอดน้อยทําอะไรหมกเม็ดหมกเห็ดไปเรื่อย เ, อเพื่อจะให้งานงานเสร็จเพื่อจะให้แล้วเสร็จนถ้าในบริษัทอย่างนั้นม า, เ, าเมื่อเสร็จแล้วก็โอ้โ น่าปวดหัวทีเดียวแล้วก็อีกอย่างน่เป็นบาปเป็นกรรมของบริษัทอย่าคิดเลยว่ามันจะเจริญบริษัทนั้นถึงจะไปผ่านไปกันนั่นนะความจิบหายอยู่ซึ่งหน้าเหมือนกันเพราะทากับเจดีย์ขององค์หลวงตาหลวงพ่อวันถ้าวผู้ใดได้มาทาผู้นั้นเป็นผู้โชคดีแล้วก็ขอให้ทำให้ดีเถอะบุญกุศลที่ได้ทาไปแล้วนั้นด้วยจิตศรัทธาด้วยความตั้งใจ บุญกุศลจะเกือก้อคุนหนุนบริษัทนั้นมีแต่ความเจริญรุง่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าขนาดบริษัทจะตนเห็นนะ เ, เราว่าจ้างเขาเมื่อวานเนี่เขายังสมทบเข้ามาถึงห้าหมนบาทนะ เ, เราสร้างเราจ้างเขาให้มาดูงานบริษัทจะตนเห็นยังสมทบอีกห 0,000 นบาทหลวงพ่อโอไม่ใช่ธรรมดาลูกหลาน นี่แหละเพราะเรามองดูแลหลวงตาไม่ไดเอารัดเอาเปรียบใครไม่ได้มีแต่ให้กับให้อย่างเดียวแต่พวกเราจะไปกินกินกินกินอย่างเดียวหรือว่าไปทาอะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องออหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกแต่ทึกยังไงก็คิดให้ดีเอาไม่ให้ขาดทุนอยู่แล้วตัวมันจะขาดทุนก็ บ, บอกมา คณะกรรมการทั้งหลายก็เป็นหูเป็นตาด้วยกันตัวนี้มันขาดนะก็รู้มันจะขาดไอมันทํานี้มันขาดแน่ๆพวกเราก็จะต้องเสริมให้ถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าทําจําเป็นมันทำํำแต่มันช้าจะต้องถูกปรับแล้วจะปรับเมื่อวัมีเหตุผลไหมถ้ามีเหตุผลมันช้าเพราะอะไรดินฟ้าอากาศฝนตกมันทําไม่ได้ แล้วจะไปปรับเขามันก็ไม่น่าจะถูกคณะกรรมการก็ต้องมีหูมีตาต้องยืดยุนให้ถ้าว่าต่างคนต่างมาทำงานด้วยกันด้วยน้ำจิตน้าใจนะั่นแหละอ่นั่นละ่ะอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่อนะอย่างองค์หลวงตามหาบัวนะท่านเป็นประธานสร้างเจดีเจดีของหลวงปู่ฟัน่น ที่จังหวัดสกลนครนะท่านว่าเงินมันไม่พอนะเงินยังไม่พอที่แล้วใครจะเป็นผู้เซ็นสัญญานะทางบริษัทเขาก็สปอร์ตเลยเออทางว่าอาจารย์มหาบัวเป็นประธานนะั่นะผมเชื่อในฝีมือเอาเลยไม่ถึงจะไม่มีเงินมากก็จะเซ็นสัญญาได้เอาผู้ใดที่หลวงตามอบหมายให้เออ แต่รลตาก็จะสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ะเซ็นสัญญาเขาก็ทำงานพอทำงานไปแล้วทีนี้มันยุคที่เขาจะไต้กันทนี่โรงงานปูนเฉานหยุดชะงักปูนขาดตลาดบาริษัทปวดหัวอะไรบาดเนี่ยเพราะมันมีสัญญากันผลก่อนงเอายังไงวกว่าจะตั้งท่าได้มันหลายเดือน งานมันล่าช้าไปแต่หลวงตามหาพัวบอกว่าเอาเถอขนาดที่พวกบริษัท เ, เราไม่มีเงินที่จะเซ็นสัญญาเขายังกล้าเซ็นสัญญากับเร า, เาถ้าว่าเขามีปัญหาอย่างนี้ถ้าเราไม่สั่งให้ปรับใครจะสั่งให้ปรับเพราะเราเป็น เ, เป็นประธานาปรับเขาไม่ได้มันก็รู้เห็นอยู่แล้วมันเพราะอะไรระมันยังขาดมันขาดปูนไปทำได้ยังไง เออเนี่แหละอันนี้ก็คือความมีน้ำใจต่อกันมันต้องมีเหตุมีผลในการทำงานเนี่แหละการยืดจุ่นด้วยการทางานด้วยกันไปด้วยกันได้มีน้ำใจมีเหตุมีผลด้วยกันการทำงานกระทำด้วยความตั้งใจพวกเราก็มองดูอยู่ดูแล้วคณะกรรมการก็ให้มองดูด้วยความเป็นธรรมอย่าไปกันอย่าไปแกล้งเขา ถ้าว่าการแกล้งเขานะ่นะต่อไปภายภาคหน้านะใครคิดทำอย่างนั้นขึ้นมานะบาปกรรมติดพบติดชาติไปอีกเหมือนกันนะด <c oughs> ันนั้นหลวงพ่อเองคิดว่าหวังว่าคงจะได้บริษัทที่มาทำงานในจีดีของหลวงตานะเป็นผู้มีน้ำใจทีเดียวละ่ะคิดว่านะแต่ก็ถึงอย่างว่าจังตรงมองมอ ง, มองดูให้ลูกหลานฟังเอาไว้นะให้ลูกหลานฟังเอาไว้ พอลงตาเนี่ยเป็นผู้เสียสละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่เสียสละอย่างไงอายุถึงแปดสิบกว่าปีเกือบ9ก้าสิบปีหาทองคำเข้าคลังหลวงตั้งแต่ปี 39-40 เศไปทั่วประเทศไทยนั่งรถไปพกลงจากรถก็ขึ้นทำมาสเทศเลยลูกล้านกันนั่นหตหลั่งไหลกันเข้ามาต้นทอง เงนทองคำํำมันก็แปลกนะหลวงตาแต่ถ้าว่าไปอย่างวันนี้ละ่ะอย่างวันนี้ว่าจะนัดกันให้มาทอดผ้าป่านะ้ะประมาณบ่ายสามสี่โมงบ่ายสามโมงเนี่ยมาพร้อมกันแต่ตอนเช้าเนี่ยโอ้พวกเจ้าภาพทั้งหลายแหละผู้จัดงานทั้งหลายแหละตุ บ, ต, บต้อมต้อมตุตตตบตบ กลจะไม่มีคนมามันมาหลงจ่องจ่อยเหลือเกินตอนเช้านะเออไม่รู้จะทํายังไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าหัวไม่ได้ทองไม่ได้อผ้าป่านะพอเห็ุไรเพราะการทอดผ้าป่าก็ต้องอาศัยมวลชนใช่ไหมละ่ะอันนี้มวลชนไม่มาเงียบจ่อยลจะทํำยังไงนะเนี่ยผลในสุดก็นนะ่ะพอใกล้ๆพอตอนบ่ายๆเท่านั้นแหละโอ้โห คนหลังไหลมาทุกทิศทุกทางแท้เลยไม่คาดไม่คิดหรือพระคนจะมามากาขนาดนี้อันนี้เกือบทุกงานนะนนเกือบทุกงานที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็ ค, คือบุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาเป็นปุงตาธรรมมาด้วยเต็มความเต็มเปี่ยมอท่านอคิดแล้วดูแล้วมองดูแล้วเออท่านคงจะตั้งจิตอธิษฐานดูแล้วเราชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเรา เราจะทิ้งทวนละบุญกุศลของเราที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ทํามาขอให้มาเขามาเน้อข้าพเจ้าจะสงขอประเทศชาติบ้านเมืองสงขอคนในชาติที่มีพระคุณสําหรับเปล่า่ะท่านคงจะคิดตัง้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นกําลังนะเพราะนั้นมาทุกแห่งทุกหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นถ้าคิดดูสิใครจะเป็นหน้าไหนก็ตามใครก็ตาม จะไปประกาศทาัดเอาทองคำเข้าคลังหลวงทั้งได้สิบสามตันมองดูสิคิดดูสิคิดได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นระดับไหนจะจะระดมทุนะระดมคนถึงขนาดนั้นแต่ผู้ที่ให้เราก็ถามเหมือนกันนะเป็นไงรัฐบาลเขาล่มจมจีพายอย่างนี้เราจะช่วยเหลือรัฐบาลใช่ไหมไม่ใช่ เพราะหลวงตาหลวงตาท่านต้องการเราเชื่อในฝีมือของหลวงตาเราทำบุญกับหลวงตาหลวงตาเป็นผู้มีพระคุณหลวงตาเป็นผู้ทำคุณให้กับประเทศชาติต่อโลกต่อพวกเราเราว่าจะทำบุญกับหลวงตาจะได้บุญเราจะมอบให้หลวงตาจุดแท้ตัวหลวงตาจะไปให้ที่ไหนอย่างไรโดยมากหลวงพ่อฟังดูจะเป็นลักษณะนั้นทั้งหมดทีลายใหญ่ๆนะ นขนาหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยังเชื่อหลวงตานะถวายหลวงตาไม่ได้เชื่อรัฐบาลนะอถ้ารัฐบาลได้ไปแล้วเขาจะไปทําอะไรเขาไมา่รู้เถอะนี่แต่ว่าอหลวงตาในท่านที่ว่าเอาไปไว้ในคลังหลวงเพื่อเป็นเงินประกัน่พิพมพ์ธนบัตรเออกมาใช้เนี่ยนี่แหละเงินก้อนนี้เป็นเงินประกันธนบัตรให้มีคุณค่านะนี่แหละอันนี้เราก็เชื่อถือในองค์หลวงตาแต่ตอนนี้เขาก็ยังพูดอย่างนั้นเหมือนกันนะ แบงค์ชาติาก็ก็พูดอย่างนั้นเมื่อไม่นานมานี้เขามารับทองคําที่สวนแสงธรรมแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปหรอกแต่ได้ยินข่าวมาแบงค์ชาติก็ถแถลงถแถลงข่าวว่าเงินคงคลางมีเพียงพอถ้าต่างประเทศเขาจะถอนทุนไปพร้อมที่จะให้เขาไปเงินก็ยังมีเหลือเพราะนั้นเงินของประเทศไทยมั่นคงนี่แหละ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งได้ยินอย่างนั้นของหลวงพ่อเออขนาดพระหลวงพ่ออยู่ในป่ารงพงไพ่ก็ยังภาคภูมิใจเออนะบริหารจัดการถึงยังไงอยากให้เป็นประทัตนี่ประเทศชาติเป็นนี่เป็นศีลพลุงพลังเน่ยเราก็ไม่เห็นด้วยพอประเทศชาติมีฐานะพอขนาดนี้แล้วมันน่าจะเป็นตัวของตัวได้อย่างวัดของเราก็เหมือนกันเราจะมั่พยายามไม่ให้เป็นนี่เป็นศีล น, นะ ไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินใช่เป็นหนี้เป็นสินสั่งของหมาเออเป็นหนี้เป็นอยู่เป็นช่วระยะหนึ่งไม่ใช่่าสายจ่ายสดจ่ายสดไปก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เอาของเขามาแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมตัวจ่ายเกี่ยวว่าไม่มีปัญหานี่แหละอันนี้คือคือวัดของเราเก็ว่าเป็นหนี้สินเราจะไม่ให้มีเราไปอยู่นสถานที่ใดเราเห็นพระเป็นหนี้เป็นสินเราไม่สบายใจด้วย ถ้าเพราะว่าทำยังไงพอตายขําคืนแล้วจะทำยังไงใครจะเป็นคนหาใช้นี่ให้ขนาดตัวเองก็ยังหาใช้ใชนี่ไให้ไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาล่ะเขาจะใช้นี่ได้ยังไงเพราะนั้นตัวเองอย่าไปคิดที่จะทำให้เป็นหนี่เป็นสินทําไม้มีเงินแล้วอย่าทำสร้างไปทำไมนั่งภาวนาทั้งวันทั้งคืนเดินจงกลมทั้งวันทั้งคืนบริกรรมพุโทโธพุโทโธมุให้พ้นทุกนวัฏสงสาร อย่ามาเวียนไหยตายเกิดอันนั้นยังเลิศประเสริฐกว่าที่จะมาหาเป็นเน่เป็นศิลพหลุงพหลัง อ, อผลในสุดนไม่สบายใจผู้ที่เขาให้มาเขาก็ไม่สบายใจอพวกตัวเองไปเป็นเน่เขาก็ไม่สบายใจลูกศิษย์ลูกหาที่มาเกี่ยวข้องก็ไม่สบายใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละพวกลูกหลานทั้งหลายพระเนนทั้งหลายฟังเอาไว้นะอพระต่างเนนทั้งสี่สิบสี่รูปนะี่ย ฟังเอาไว้นะลูกหลานนะออหลวงพ่อไม่สนับสนุนนะนี่แหละการไปอยู่นสถานที่ใดให้มองดูตนเองเสมอคิดว่านี่แหละ เ, เราเป็นนี่เป็นศีลเข้าไปแล้วตายค่ําคืนน่าจะทําไงการตายมันไม่ได้ยากอะไรนะหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่หายตายไม่หายใจไม่ออกแล้วก็ใช่เมื่อตายไปแล้วตายเ อ, อเป็นห่วงได้ทายังไงขนาดพระเป็นห่วง ในผ้าจีวรเท่านั้นก็ยังตายเป็นตัวเรนโรรัยนะถ้าเป็นนี่เป็นศีลนตายไปขาวนั้นเลยนี่ศีลพลุงพลังแเราจะคิดยังไงถ้าจิตใจพ้นทุกข์เราก็ไม่ว่ากันถ้าจิตใจยังไม่พ้นทุกข์เราจะมันก็ปิตกกังวลเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกทุกองนะทุกคนนะเนี่ยแหละสรุปแล้วก็คือถ้าว่าเราไม่มีอย่างหลวงปู่จามพูดให้นั่งภาวนา ให้เดินจงกรมปฏิบัติธรรมอย่าให้มีปัญหาถ้ามันมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแหละไม่มีอย่าคิดใช้ในีละการเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่นะมันเมื่อวานกับหลวงพ่อได้ไปทอดผ้าป่าเพือพอพ่อหาทุนให้ถวายหลวงตาแต่หลวงตาเดี๋ยวนี้ก็ฟังดูเงินทุนของหลวงตาเนี่ยก็ได้ทั้งหมดมันร้อย ห้าร้อยห้าร้อยสาสิบกว่าล้านนะแต่เพิ่มเข้าไปไปอีกเมื่อวานเนี่ยมันก็จะไม่มจะไม่ถึงห้าร้อยห้าสิบล้านเลยหรออย่างน้อยก็สี่สิบล้านแล้ววะพอแปดเก้าล้านแล้วนันละอันนี้ก็ทำได้ในเมื่อทำไปแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ น, าน่ามีปัญหาศรัทธาญาติโยมก็คงจะช่วยช่วยกันเพราะว่าเรา อย่างเสียงดูแล้วเนะี่ยตอนที่หาเสาเข็มเราอย่างดูแล้วคนยังรักเคารพคาระวะศรัทธาในองค์หลวงตาอยู่อย่างเหนียวแน่นอย่างเก่าหรือไม่นะ เ, เราก็ประกาศเรื่องเสาเข็มให้เจ้าอาวาสหลวงพ่อสุดใจเปิดประกาศเราก็โปรโมทช่วยนะ เ, เพียงยี่สิบวันยี่สิบกว่าวัน ได้เงินทั้ง37ล้านน่อเราก็โอบลูกหลานลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมขององค์หลวงตาของเราหน่อยอย่างหนักแน่นถ้าเราจะทําอะไรต่อไปภายภาคหน้าถ้ามันขาดเหลือขาดตกมีความจําเป็นในการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยเราก็คงจะประกาศดีศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานขององค์หลวงตาเนี่ยที่รักเคารพในองค์หลวงตาเนี่ย คงจะให้การสนับสนุนเหมือนกับคราวนี้ครั้งนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เอาตัวนี้เป็นตัวชีวัดที่จะดําเนินการต่อไปภายภาคหน้านะนี่แหละแต่นี่ก็คือทางด้านวัตถุนะอามิชบุชาแนตะ่ส่วนปฏิบัติบูบชากันนะให้นั่งภาวนาโดยจงกรมกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าเราก็ใช้หายใจไม่ออกล้วก็ใช้ชีวิตของเราออกจา ก, ก อ, อกจากร่างนนะง ออกจากร่างอย่าวิตกกังวลอย่าไปห่วงอะไรทั้งหมดนะลูกหลานนะไม่ต้องห่วงหาอะไรทั้งหมดนะให้อยู่กับพุทโธพุทโธ ท, ทํำยังไงจรึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏ์สงสารพระเนรลูกหลานก็เหมือนกันนะการประพฤติปฏิบัติตนให้สํารวมระวังนะลูกหลานนะการอยู่การฉันก็เหมือนกันเป็นพระน้อยพระนุ่มนะจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้นะอะไรมีอะไญยัดเข้าไปขนมนมเนยนมพวกนมพวกเยนยเนยกินเข้าไปนั่นแหละ อมันส่งเสริมอะไรลนะ่ะส่งเสริมเสริมกามลาฆานะเอส่งเสริมการมกิเลสนะตัวนี้ให้ระวังเห็นไหมหลวงพ่อเนะี่ยรูปภาพนะเห็นไหมหลวงพ่อสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มนะผอมก็แรงแด้งเลยเพราะเหตุไรเพราะสำรวมระวังในจุดนี้ลแหอะหลวงพ่อจึงผ่านพ้นมาจากปากเกี่ยวปากกาเอพ้นผ่านพ้นมาจากตัวกิเลส ลาคะโทสะโมหะตัวลาคะนะเพราะนั้นพระเนงทั้งหลายตั้งปวงนะที่หลวง พ, อพ่อพดทางนี้ทังนี้ทางนั้นให้ฟังเป็นแนวความคิดนะตัวของตนเองเท่านั้นหละจะเป็นเครื่องยับยั้งเป็นผู้ห้ามตัวเองไม่มีใครที่จะห้ามตนเองได้นอกจากตัวของเราเองถ้าว่าตัวเองไม่สำรวมไม่ระวังแล้วก็อยู่ไม่รอดนะในศาสนาร้อนนะใจร้อนนะ ไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่ากิเลสมันเผาจิตใจนะอัลลัพพรอ น, นมโมทนาให้พร